วันพระเดือนสิบขึ้นแปดคำ่ำเป็นวันธรรมชาว น, นะวันฟังธรรมตามระเบียบในพระพุทธศาสนาอันวันแปดค่ำสิบห้าค่ำนี่ไม่ว่ากับใดกันใดพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ในโลก ก็ทรงวางระเบียบให้พุทธบริษัทรักษาศีโลโอโหสดกันวันแปดค่ำวัน15ห้าค่ำเดือนดับเดือนเทนอันนี้เป็นธรรมเนียมมาแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาอุบัติบังเกิดในโลกแต่ตำนาบางแห่งยังกล่าวไว้ว่าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นพระราชาถึงวันอบวบสดมาก็าไปรักษาศีลอมโมสดอยู่ที่สวนอุทยานสมัยฉะนั้นรีกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกในตำรายังกล่าวว่าพญาน า, พาคพญครุฑพญอินท้าเจตโรกกับบาน พักันลงมารักษาสินมูสดร่วมกับพระราชาในเมืองนั้นแล้วก็มาสนทนาธรรมกันนี่เรียก ว, ว่าท่านผู้มีบุญบา ร, รมีอันกว้างใหญ่ไพศาลท่านเกิดไปชาติใดพบใดท่านก็ไม่ลืมบุญวัดพนาบา ร, รมีของตน ที่ตนได้ทามาแต่ก่อนเป็นทุนรอนมาแล้วก็จึงได้สร้างบา ร, รมีต่อผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีอินทร์บา ร, รมีแก่กล้ามันก็เหมือนกันแหละเกิดมาชาติใดก็ไม่ประมาทสร้างบุญบา ร, รมีไปการรักษาศีลเนี่ยนะว่าสำคัญเน่ย เพราะว่ามันเป็นการเล่นจากบาปกรรมความชั่วทั้งหลายคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่มีบาปกรรมติดตัวแล้วมันก็สบายจะอยู่ในโลกนี้ก็สบายละาโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็สบายแต่ถ้าบุคคลมีแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเฉยๆเราไม่เจตนาที่จะรักษาศีล ให้บริสุทธิ์อย่างนี้นี่รับประกันไม่ได้เลยว่าจะไม่ไปสู่นรกอบายภูมิเขาพระพุทธเจ้าก็รับประกันไม่ได้เพราะว่าบุคคลนั้นเมื่อไม่รักษาศีลแล้วก็ไปทำบาปเมื่อทำบาปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อะไรไม่ได้เลยบาปมันก็น่วงให้อยู่ในโลกสงสารอันนี้แหละ หาไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้นะขอให้เข้าใจกันผู้ใดตื่นตัวแล้วก็แล้วตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นไปอาศัยบุญเก่าของตนนั่นแหละเนี่ยบางคนก็มีลูกมีหลานมาแล้วลูกเขาก็บมดเสพทำการทำงาน ได้เงินได้ทองก็ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขตามฐานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญกุศลที่เราได้ทํามาแต่ก่อนมันอํานวยผลให้เมื่อบุญกุศลอํานวยให้อย่างนี้แล้วเรายังจิโมวมอส ม, มาดอยู่เช่นนี้ก็หน้าปาขาดทุนและไม่สมควรเลย สมควรที่จะสร้างบุญกุศลสืบต่อไปทำให้บุญบารมีของเรามันเกกล้าขึ้นไปโดยลํำดับอย่างนั้นถึงจะสมกับว่าผู้มีบุญมาเกิดในโลกอันบุญนี่ไม่ใช่ของหาได้ง่ายๆเมื่อได้มาแล้วก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมสูญอันบุญเก่าที่ทำมาตะกอนมันก็มาให้ผลในชาตินี้ เมื่อมันหมดเขตของบุญเก่ามันลงไปแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายอย่างนี้นะแต่ว่ารากเหง้าของบุญธรรมยังอยู่นะอันนี้มันผลของบุญน่ะที่มันมาาน่วยให้เราเกิดเป็นคนมาให้เราได้มีโอกาสได้ สร้างบุญบา ร, รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มากขึ้นถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลผู้ทําการค้านั่นเองนะผู้ที่ทําการค้ามันต้องมีทุนนะเมื่อมีทุนก้อนหนึ่งแล้ววันนี้ก็ทําการค้าไปอมันก็มีกําไรเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ชั้นใดผู้มีบุญกุศลที่ตนได้ทํามาแต่ก่อนเป็นทุนมาแล้วอย่างนี้นะ บุญกุศลเนี่ยมันมาโดนจิตให้คิดจกสร้างบุญกุศลสืบต่อนี่คนที่ไม่มีบุญติดตามอาศัยชาติก่อนมันเลยไม่มีอันใดจะมาดนจิตใจให้คิดจยากจะสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อก็เลยเฉยเมยเลยเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้ผู้เป็นคนเท่าคนแก่ ก็เพลินอยู่กับลูกคับล้านกับบ้านกับเรือนอืมลูกได้ดิีได้ดีก็ดีอกดีใจเอา้าได้ล้านในน้อยมากก็ยิ่งรักใหญ่เลยห่างไกลก็ไม่ได้เนี่ยนนคนไม่มีบุญไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจมันก็ย่อมใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละเหมื อ, อนเป็นยังไง คนผู้มีบุญกุศลแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี่เขามีปัญญาเลยตรงก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่นั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่มีวิญญาณก็ตามไม่มีวิญญาณก็ตามมันก็ล้วนแต่เป็นของเกิดมาแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเหมือนกับร่างกายอันนี้แหละนี่คนมีบุญมีปัญญาก็ต้องคิดเห็น เหตุนั้นถึงไม่ ห, หวงแหนถึงไม่หลงไหลถึงเขาสละไปก็สละไปถึงเขาดูแลมันก็ดูแลมันไปอืเพราะว่าคนมีปัญญาแนละ้วมีอะไรก็เหมือนไม่มีนั่นแหละเพราะว่าจิตใจมันไม่ไปผูกพันเพียงแต่ขออาศัยไปชั่วคราวหนึ่งเท่านั้นเองคนมีปัญญาต้องทําในใจอย่างนี้ ผู้ทาในใจได้อย่างนี้มันก็สั่งสมเอาบุญกุศลไว้ได้มากเกลื่อยไปแหละเพราะเมื่อใจมันไม่คล่องโยในวัตถุอันไม่เป็นสาระแกนสารดังกล่าวนั้นแล้วยจมันก็มาน้อมต่อบุญต่อคุณเมื่อเห็นว่าบุญคุณนี่แหละจะเป็นที่พึ่งกําจัดทุกข์ภัยแก่ตนคตทนได้อย่างนี้นะ ใจมันก็ น, น้อมมาทางบุญทางกุศลเข้าไปบุญกุศลมันก็นมากขึ้นเป็นอย่างนั้นอันที่ว่ารากเล่าของกุศลมันมีนมอยู่หมายเอาอะไรหมายเอาจิตใจที่ไม่โลภไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นกองตโดยทางจิติจิอยินดีวัตถุสิ่งของที่ตนหามาได้ อย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นนี่ความไม่โลภนะนี่แหละคือรากเหง้าของกูสอนเมื่อเมื่อมันความไม่โลภมีอยู่ในใจแล้วมันก็บรรลาลให้ทำบุญให้ทานเรือ่อยไปเท่าที่จะทำได้ความไม่โกรธเนื่องจากว่าตนได้ฝึก้นอารมณ์จิตใจมาได้เจริญเมตตากรุณามามากๆ เสมอมาแล้วทีนี้ความโกรธมันก็เวาวางลงไปอันเมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นแทนอันนี้ก็เป็นรากเหง้าของกุศลทวนหนึ่งองเพิ่งเข้าใจทีนี้เมื่อเราไม่ไม่โกรธแล้วก็มีแต่กรเริญนเมตตามีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนอื่นและสัตว์อื่นไปอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็ย่อมเกิดทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนี่ เพราะรากเล่าเหมือนมันมีอยู่เหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละเมื่อรากมันยังมีอยู่อย่างนี้ถึงแม้คนจะตัดต้นมันลงไปเหลือแต่ตอเนี่ยมันก็ยังแตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้อยูอ่เวีนเจียแต่ไม้ที่มีแก่นบางชนิดนั่นตัดต้นมันลงแล้วก็ตายไปเลยแต่บางชนิดนั่นก็ยังแตก ก, กิ่งก้านสาขาออกไปอยู่ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละรากเงาคล้องบุญกุศลที่เราสะสมให้เกิดมีขึ้นในใจนั้นแล้วมันก็เป็นเครื่องต่อให้เราสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะอ่อย่างที่พุทธธรรมริศัดได้มาช่อมทานสินาศินโมโหสดแล้วก็นักษาสินสำโรมอินทรียท่องตนอยู่ในวัดป่าอาราม สำรวมใจของตนไม่ให้พุ่งเพือไม่ให้ดิ้นรนกระสับกระสายไปในอารมณ์ต่างๆออย่างนี้ก็เรียกว่ามาเพิ่มภูนบุญบา ร, รมีให้มากขึ้นโดยลำดับนี่แหละบุคคลพวกไม่โกรธแล้วมันก็ย่อมมีเมตตาแก่ตัวเองเมตตาแก่บุคคลอื่นและสัตว์เอืน่นเมตตาต่อตนก็อยากตนก็อยากมีความสุขยิ่งขึ้นไป ความสุขเท่าที่มีอยู่มันยังน้อยไปมันยังมีทุกข์เจืออยู่ไม่ใช่มีแต่สุขล้วนๆในโลกอันนี้นะพอมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จึงค่อยมาเข้าวัดวาอารามมาสำรวมตนด้วยดีเพราะว่าบุญกุศลมันย่อมเกิดขึ้นจากการสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ภายในเหตที่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้ว มันก็คิดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมดแหละไม่ได้คิดเป็นบาปแลเ้เช่นอย่างว่าเราคิดถึงร่างกายสังขาร น, นี่เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนแล้วก็เกิดความสังเวดสลดใจขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็รุ่นเกิบุญทะนะ่านั้นแหะมันเกิดขึ้นนั่นแนหะบุญกุศลเกิดขึ้นเรียกว่ากุศลก็ว่าได้คือความฉลาดเมื่อได้ พิจารณาดูร่างกายสังขารนี้แล้วเกิดความสังเวชทลดหรือเบื่อหน่ายอยากจะพ้นจากขันห้านี้นี่นะในใจนี่มันมีความรู้สึกต่อขันหา้าอย่างนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่ากุศลแปลว่าแปล ว, ว่าความฉลาดคือฉลาดมีอุบายสอนใจเพื่อจะให้ใจนี่เบื่อหน่ายแล้วถอนตนออกจาก ทุกในขันห้าอันนี้นี่จาว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอย่างไงอ่ะบุญกุศลไม่ใช่มีแต่เฉพาะว่าให้วัตถุสิ่งของวินทานเท่านั้นความฉลาดรู้จักละความยึดความถือในธาตุสี่ขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาอันนี้ท่ายิ่งเป็นกุศลอย่างสูงส่งนะขอให้เข้าใจอ่ะ แต่น้อยคนที่จะมองเห็นว่ะขันห่านี่เป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตอนอย่างนี้น้อยคนที่จะมองเห็นมีแต่มองเห็นว่าขันห่านี่เป็นของตัวของตนทั้งนั้นแหละก็มายึดมาถือกันไว้หวงไว้ไทรมาตำหนิตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เสียใจเลยโกตรหาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตอน อ, อย่างนี้แหละ ไม่ยอมไม่ใครมาแตะต้องเลยลักษณะอาการของจิตที่ยึดมั่นถือมันในขันห้ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมาน่ะน่อยก็ให้เกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นคุณเครื่องน้อยก็ให้เกิดความเศร้าโศกที่ไล่ล้ำพันต่างๆนี่ลักษณะอาการแห่งจิตจิตใจมายึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเวลาขันห้านั้นมันวิบัติตรง จิตใจก็วันไหวไปอย่างว่านั่นแหละเบีย่ยงั้นเหตุนั้นพระองค์เจ้าถึงว่าปัญจุปาดานคันธาดุข่าความเข้าไปยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กรวบยอดเลยประเดี๋ย ว, วอ่ะ ม, มันดาทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่นี่มดเลยถ้าหากว่าปล่อยวางขันห้านี้ลงไป ได้ไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใชแล้วบรรดาทุกน้อยใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ย้อก็ดับไปตามกันความทุกข์ทางใจอันเกิดขึ้นจากความยินดียินร้ายความเสียใจต่งตางๆมันก็ดับไปหมดนี่นะพอพงวางขันท่านน้ลงแล้วนนะใครจะมาด่าว่าตีเตียนยังไงมันก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ถือว่าเขาด่าเขาว่าตน เราว่าเขาตำหนีตีเตียนกับติดตีเตียนขาดสี่ขันห้านี่ต่างหากเมื่อขาดสี่ขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปโกรธเอาอะไรล่ะจะไปเสียใจเอาอะไรกับขันห้านี่วันนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านมาเห็นแจ้งอย่างนี้นะท่านจึงไม่โกรธเราต้องทบทวนถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ตอนพระ อ, องค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็สร้างคันฑิบา ร, รมีมเมตตาบา ร, รมีต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายแม้ใครจะมาเบียดเบี่ยนพระ อ, องค์ก็ไม่ตอบโต้เหมือนอย่างแต่ครั้งพระองค์ครั้งหนึ่งเป็นพญาช้างเผือกเลี้ยงแม่าตาบอดอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง สมัยนั้นเรียกว่าคนมันน้อยวันนี้ป่าไม้ก็มีหลายศาสนาสิ่งก่ออยู่สบายกันดีคราวนี้มีพานป่าคนหนึ่งเที่ยวป่าไปล่าเนื้อก็ไปเห็นพญาช่างเผื่อนี่แหละสวยงามกลับเข้าไปในเมืองก็ไปทุนในพระราชาในทรงทราบพระราชาก็ให้หนายผานคนนั้นแหละ ไปดักบวงหรือไปจับช้างเชื่อนนั้นมาให้จะให้รางวัลอย่างนี้เนะียในผานคนนั้นก็ไปพยายามจับเอาพยาช่างเผือกจนได้ได้แล้วก็ น, นํามาถวายพระราชาพระราชาก็พระราชาทานรางวัลให้ในายผานคนนั้นอย่างงดงามเที่ยว แล้วก็สร้างโรงช้างอยอย่างสวยงามให้อยู่อาศัยอาหารนั้นพระองค์สเสวยยังไงก็เอาอย่างนั้นมาให้พญาช้างแล้วประทานแต่พญาช้างก็คืนไม่ลงไม่ยอมกินอาหารเอาญ้ามาให้ก็ไม่กินวันนี้พระราชาจึงไปถามทำไมจึงไม่กินย้ากินอาหารเพราะอะไร คนแต่ก่อนกับสัตว์มันพูดกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะพระยาช้างเผือกนั่นจึงตอบพระราชาว่าเหตุที่ไม่รับประทานของพระราชท า, านต่างๆเหล่านี้ก็เพราะมานึกถึงมารดาตาบอดอออยู่ในป่าข้าพเจ้าได้เลี้ยงมารดาผู้ตาบอดหาอาหารมาให้มารดากิน เ, เมื่อ พราพเจ้าถูกจับมาอยู่อย่างนี้แล้วมารดาก็อดอาหารเพราะตามบอดแต่หา ก, กินอาหารก็ไม่ได้อย่างนี้ตอนนั้นพระพเจ้าจึงกืนอาหารไม่ลงนึกถึงมารดามาแล้วก็คงจะยอมตายกับมารดานั่นแหละถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีเมตตาปล่อยให้ไปอยู่กับมารดาเหาืนั้นเพราะมารดาในไหนก็ต้องตายแน่พระพเจ้าผู้เป็นบุตรก็ขอตายตามเหมือน พระราชาได้ฟังนั้นก็เลยสั่งให้ขวนช้างนะเอาช้างพญาช้างเผือกนั่นไปปล่อยในป่าที่เดิมมันพญาช้างเผือกก็ได้ไปหามานดานำหญ้านำใบไม้อะไรก็อะไรไปให้มานดากินเลี้ยงมานดาไปจนตลอดหมดอายุสังคัน อันนี้ พ, พระโพธิสัตว์เกิดมาแม้เป็นสัตว์ดิรฐานเพื่อนกมสร้างบารมีอย่างนั้นแหละไม่ได้ทําบุญอย่างอื่นก็เลี้ยงมารดาบิ ด, ดาไปบางเอิญก็มารดาพตาบอดเสียอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เลยต้องเลี้ยงไปก็เป็นบุญบารมีของพระโพธิสัตว์เองอย่างนี้นะนี่แหละประวัติความเป็นมาของพพุทธเจ้า เพราะว่าพระองค์เชื่อว่าบุญเท่านี้ที่จะทำนาคนในพ้นทุกไปได้นอกจากบุญแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่จะนาคนในพ้นจากทุกในสงสารนี่บุญน้อยก็พ้นไปไม่ได้มันต้องสร้างให้มากมากถ้าจะให้พ้นทุกไปจริงๆได้แล้วก็ต้องสร้างไปจนบุญบา ร, รมีเต็มนั่นนะอ้าว จะกำหนดได้ยังไงว่าบุญเต็มอ่ะพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจกหรือว่าเป็นผู้ทรงคุณพิเศษอย่างอื่นดใดเช่นอคตสาวกขวาซ้ายของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นเอตัคขะต่ า, างๆนี้เป็นสาวกธรรมดา นี่สร้างบารมีแสนกับก็เต็มบริบูรณ์องั้นเมื่อบารมีเต็มแล้วมโนบรรดานให้ไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์เนื้อได้ฟังธรรมแล้วบางท่านก็ได้บางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลในขณะฟังธรรมจบลงบางท่านก็ได้จําเอาธรรมะข้อปฏิบัติได้แล้วก็ไป ฝึกขัดปฏิบัติฝึกกอนอยู่ในที่สงบสงัดเข้าไปไม่นานก็ได้สำเร็จผลธรรมวิเศษไปบางท่านบางพวกก็ต้องบำเพ็ญอบรมฝึกฝนตนไปฟังเทศฟังธรรมไบทรรมบุญนําทานไปไหวพระนั่งภาวนาไปเพราะอินทร์ปรมียังไม่แก่กล้า ม, มากแต่ว่าหากจะเต็มบริบูรณ์ในชาตินั้น พวกนี้เมื่ออบรมอินทรีย์ไปไปมันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นไปเพราะอินทรีย์บา ร, รมีเข้าขั้นแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลในตรรราทิารกล่าวไว้ย่างตามก็ได้พระโสดาบันหรือพระจักกิทธาคามีหรือพระอนาคามีอย่างนี้เมื่อหมดอายุทังฐานแล้วท่านก็ไปบังเกิดในสุคติ ตามวาตพนาบา ร, รมีของตนของตน อ, อันนี้มันมันมีมาอย่างนี้ความประวัติเเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายถ้าผู้ที่ได้ปราฏนาคุณพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็สร้างบา ร, รมีนานกว่านั้นน้อยเช่นพระบัจจิกพุทธเจ้ า, านี่ต้องสองอสองไข่มหากัแสนมหากัษจึงค่อยเต็ม บารมีของอุปเจคุยเจ้าจึงค่อยเต็มนะถ้าเป็นปรัถนาเป็นอพุทธเจ้าอย่างนี้จํำพวกปัญญาทิกะนี่ก่อสร้างบารมีสี่อสงไขยปลายแสนมากับจึงค่อยเต็มถ้าเป็นศรัทธาธิกะมีศรัทธาเป็นเครื่องดําเนินก็ต้องแปดอสงไขยปลายแสนมากลับคือจึงเต็มบริบูรณ์ถ้าเป็นจํำพวกวิริยาธิกะ มีความภาคเพียนพยายามเป็นเล็กใสปัจจัยต้องสิบหกอสงไขยบารมีถึงค่อยเต็มนี่ได้แก่พระษีอริยเมตไตรที่จะมาตัดสรู้ในข้างหน้านี้แหละองค์นี้ลหละที่วิิยาที่ขะสร้างบารมีถึงสิบหกอสงไขยนี่แสดงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เบงั้น การที่นำเรื่องราวของพวกเจ้าและพระสาวกบริษัททั้งหลายมาเล่าสู่พุทธบริษัททั้งหลายฟังนี่ก็เพื่อให้เป็นกาลังใจเราจะได้ถือเอาเป็นตัวอย่างว่าคนแต่ก่อนนั้นเพื่อนได้สร้างบุญบา ร, รมีมาอย่างนั้นอย่างนั้นก็จึงพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้อย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินได้ฟัง ว่าคนแต่ก่อนได้สร้างบุญบารมีมาอย่างไงนี่มันก็สักจะไม่ค่อยชั่วเท่าไรแล้วอว่าคงจะเป็นเรื่องที่ชักชุนกันไปประเปล่ากันมัง้งมันไม่มีมผู้ใดไ ด, ได้คนทุกข์ได้บรรลุความสุขความเจริญอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเมื่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังประวัติของคนแต่ก่อนเป็นมาแล้วอย่างนี้ก็จะทําให้ศรัทธาของเราแรงกล้าขึ้นไป โดยล้ำดับสำหรับผู้มีบุญวาสนาบารมีเมื่อได้ฟังธรรมแล้วอย่างนี้ก็ทราบซึ่งในธรรมได้เข้าใจความหมายได้เป็นอย่างดีคนบุญน้อยบารมีน้อยฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจความหมายเลยไม่ทราบว่าท่าน แ, แสดงเรื่องอันนั้นหมายความว่าอย่างไรก็ไม่รู้ นี่แสดงว่าผู้นั้นบุญบา ร, รมีอินเสียงอ่อนอยู่ยังน้อยอยู่ดังนั้นน่ะถึงไม่รูไ้ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ใดมารู้ตัวว่าตนมีบา ร, รมีฟังเทศฟังธรรมก็เข้าใจความหมายได้อยู่บ้างถึงไม่ไม่ไมเต็มอัตกลาก็ได้ว่า เข้าใจพอต้องควรพอเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเข้าใจนี้แล้วก็ลงมือทอําไปสินั่นเองอย่ไปอ้างโน้นอ้างนี้อยู่ทําไมอ่ะไปอ้างการอ้างเวลาทําไมไม่ไม่ควรที่จะไปอ้างแล้วดูพ้นแล้วดูแรงการอ้างการอ้างเวลามันไม่เป็นมงคลสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ก็เรารู้ไม่ได้ว่าจะชาติก่อนเราบำเพ็ญกุศลมามากน้อยเพียงใดเราก็รู้ไม่ได้ถ้าหากว่าบังเอิญว่าเราบำเพ็ญกุศลมาแต่ก่อนนั้นน้อยไปอย่างนี้นะเราอยู่ไปไม่ทันถึงอายุไขเมื่อหมดบุญลงแล้วก็ตายก่อนอายุไขไป เช่นนี้มันก็ลอยไม่ได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีให้เกีกล้าขึ้นในตอนได้ตามความประสงค์ดังนัน้นเมื่อบุญกุศลยังอุปถัมภ์บำรุงชีวิตอันนี้อยู่แล้วไม่ควรประมาทวันไหนเวลาไหนก็เป็นวันเวลาที่เราสร้างบุญบา ร, รมีก็ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเอาทำอย่างไรล่ะ ในการสร้างบารมีทุกวันเวลานาทีก็การสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเสมอไปนั่นแหละเรียกว่าเป็นการสร้างบุญบารมีเพราะเมื่อเราทำอะไรพูดอะไรมันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วมันก็ต้องเป็นประโยชน์แหละนี่เช่นว่า การทำนาทำสวนทำการค้าขายอะไรก็ตามแหละเมื่อเราทำโดยสุจริตไม่ผิดศีลไม่รำได้เงินได้ทองมาเราก็มาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งทานการสละให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างบารมีอยู่ในตัวเลยพวกทำนาทำสวนนะ่ะ ว่าทำนาทำสวนหรือว่าทำการค้าขายได้เงินได้ทองมาแล้วเช่นนี้ก็มาหวงเห็นไว้บริโภคแต่จำเพาะผู้เที่ยวไม่แบ่งเฉลีย่ยเพื่อแผ่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเช่นนี้ทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นประโยชน์ในชั่วชีวิตของตัวเองเท่านี้เองแล้วทึงยะ รับสมบัตินั้นจะก่อให้เกิดเป็นบุญกุศลอำนวยผลให้ตนได้มีความสุขต่อไปเบื้องหน้ามันก็มีไม่ได้เจนี่เป็นไม่ได้เมื่อตอนตายลงแล้วสมบัติเหล่านั้นก็กลายเป็นของผู้อื่นไปพวกมีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงได้ทำบุญทำทานอ่ไม่หยุดไม่ยั้งสำหรับคนที่มีเงินทองมากมายก่รองนั้นนะ ที่งไม่ได้หวงแหนไว้สำหรับผู้มีน้อยก็ให้ตามฐานะนั่นแหละมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าอย่าไปให้ถึงกับว่าได้รับความเดือดร้อนทางครอบครัวแต่ต้องรู้จักประมาณในการให้ในการบริจาคอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเงินทองเข้าของที่มีโย อันนี้ไม่ใช่เป็นคุณธรรมต่าๆนะเป็นคุณธรรมของพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นพราะโสดาบันในท่านมีปัญญาเนี่เห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทดแล้วเห็นแจ้งในประโยชน์ทนประโยชน์ผู้อืน่นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานท่านเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้ว ฉะนั้นพระโสดามันจึงไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างเช่นนางวิสาขาอย่างนี้นะนางวิสาขานี่ได้บรรลุโสดาปติผลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนุ่นึลยระสาทสดาเสดไปสู่บ้านของธิดาคือเมืองสาเกตนางวิสาขานี่ได้ คาบริวัห้าร้อยเจ้าเฝ้าพราะองค์พระองค์แสดงธรรมให้ฟังจบองค์ก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งห้าร้อยวันนี้เมื่อเจริญวัยใหญ่โตอายุสิบหกปีแล้วก็มีตระกูลเศรษฐีเมืองสาวถีนนะได้ส่งทูดมาสู่ข อ, อดิตตานางวิสาขาพิจารณาแล้วเห็นเห็นดีเห็ น, ห น, หนชอบก็เลยยกให้ ค น, คนประเทศจีนประเทศอินเดียหมนีนั้นผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวไม่เหมือนอย่างประเทศไทยเราดังนั้นเมื่อแต่งงานแล้วนางมีสาขาจึงได้ไปสู่ตระกูลสามีบริตระกูลสามีนะมันนับเพอรัติเอิญ น, นับเพอรัติ นุ่งลมโฮมฟ้ามานี่ไม่ไม่ใช่นับถือรัธิพระพุทธศาสนาคราวนี้นางวิสาขานั่นเมื่อไปอยู่ตระกูลผัวแล้วก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรเลยมานี่ยโยตอมาพ่อผัวธรรมดาลูกประพัยเนี่ยผู้ดีทั้งหลายน่ะจัดสำรับมาให้พ่อผัวรับประทาน แล้ววันนี้ก็มานั่งเฝ้าอยู่อะไรยังอะไรขาดอะไรหมดฮะมาเติมนั่งเฝ้าแล้วก็พัดปีให้ปอกหัวด้วยวันหนึ่งก็มีพระมายืนบิณฑบาตหน้าบ้านถีนั่นทําท่า ม, มองไม่เห็นแล้วก็นั่งรับประทานเรื่อยไปพระท่านก็ไม่หนีท่านก็ยืนอยู่นั่นแหละนางวิสาขาอดไม่ได้ก็เลยจึงพูดกับพระนั่นว่า ข อ, อนิโมนตสัต์ข้างหน้าเธอเจ้าข้าพอเวลานี้พ่อผัวของนิชันกำลังบริภกของเก่าอยู่างั้นพอพ่อผัวได้ฟังคำว่าบริภกของเก่าตอนนั้นเนีเกิดโมโหโทโส ข, ขึ้นมาหาว่าลูกสะภ้ายนั้นเหยียดยามดูหมิ่นศักดิ์ของตนตนเป็นถึงมหาเศรษฐีเ้ว ภาชนะที่ใส่อาหารมาก็ล้วนแต่เป็นทองคําถ้วยกับทองคําถาดกับทองคําจอนกับทองคำทั้งนั้นเลยแล้วทำไมยังมาว่าเราว่ารับประทานของเก่าเนี่ยก็เลยว่าเสียเสียหายให้แก่ลูกกระเพยครานี้ก็เลยลูกไล่ลูกกระเพยหนีจากบ้านของจอนไอ้ลูกกระเพยนั่นน่ะ ก่อนจะมาสู่ตระกูลผัวพ่อก็แต่งนักกฎหมายมาอยู่ด้วยแปดคนน้งวิสาขาก็พูดกับพ่อขัวว่าดิฉันหาหนีง่ายๆไหมในเมื่อเรื่องของดิฉันยังไม่ได้ทันได้ตัสดสินว่าใครผิดใครถทกดิฉันจะยังไม่หนีเป็นอันขาดดังนั้นก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นวิิจัย เรื่องของอิสันอืเสียก่อนว่านี่เอาก็ตั้งขึ้นกิ้เพราะว่านักกฎหมายแปดคนนั้นพ่อนางวิสาขาได้ส่งให้มาอยู่ด้วยแล้วก็เชิญนักกฎหมายนั้นมารักถามนางวิสาขาถามว่าอันที่นางว่าพ่อผัวของอิสันกําลังบริโภคของเก่าอยู่นั่นนะตามความหมายของนางนะาหมายความว่าอย่างไรนี่ นาวิสาขาก็บอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าความหมายของอิสันนั้นหมายความว่าพ่อขัวของนิฉันนี่ได้ทำบุญทําทานการกุศลมาแต่ชาติก่อนนั้นมากมายเพราะฉะนั้นบุญกุศลอ น, นั้นจึงได้มาตกแต่งให้เกิดมาในชาตินี้นจึงได้เจริญด้วยโพคะสมบัติเงินทองเข้าของมากมายเหมือ น, นดังนั้นอ่ะนิฉันจึงว่า ข้อหัวของดิสันนี่กําลังเสวยผลบุญของเก่าที่ได้ทํามาแตก่ก่อนความหมายมีอย่างนี้ปริศณาข้อนั้นน่ะนี่เจ้าหน้าที่แปดคนนั่นก็ว่าถ้าเช่นนั้นน่ะจะมีความผิดอะไรแล้วนี่ก็นางก็พูดดีนี่หมายเอาบุญกุศลของเก่าของเศษรษฐีทํำมามาอํานวยผลให้ เวลานี่เศรษฐีกำลังเสวยผลบุญของเขาอยู่เมื่อบุญกุศลของเ่านี่หมดลงก็จะต้องไปตามกรรมถ้าหากว่าไม่ทำบุญกุศลไว้สืบต่อเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นางวิสาขาก็เป็นอันว่านางวิสาขาก็ไม่มีความผิดอะไรขั้นต่อมานี่ คืนคืนหนึ่งแม่แทะมันออกลูกนาวิสาขาขับขคนใช้ก็ไปดูแลมันอันนี้อา้าวคอผัวก็ยกโทษอีกแล้วาว่านาวิสาขาเนี่ยหาอุบายไปเล่นชู้จากหัว เ, เรื่องนี้เป็นยังไงขอให้นาวิสาขาถแถลงมาัานก็ถแถลงว่าไม่ได้มีเจตนาไปเล่นชู้อะไร พอแม่แพ้ออกลกูกธรรมดาสมบัติของตนนะ่ะเมื่อไม่ดูแล ร, รักษามันก็เสียหายเพราะฉะนั้นก็จึงไปรักษาดูแลมันเวลามันคลอดลกูกกับคนใช้ไม่ไม่ได้ไปคนเดียวถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีความผิดอะไรไม่เฉลือนี่ตกลงว่านางวิสาขาก็ไม่มีความผิดอะไรนางก็เลยถามที่ประชุมว่า เพราะฉะ น, นั้นเป็นนั้นว่าชที่ฉันก็บริสุทธิ์แล้วนะไม่มีโทษอะไรเ อ, อกรรมการทั้งแปดนันก็บอกว่าบริสุทธิ์แล้วไม่มีโทษอะไรเ อ, อถ้าฉันบริสุทธิ์ใดในฉันที่ฉันก็จะหนีแล้วจะกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่แล้ววะเนี่ยจะไม่อยู่แล้วพ่อผัวก็บอกว่าไม่ไปไม่ได้ไม่ให้ไปออ้าวถ้าไม่ให้ไปนี่จะทํายังไง ถ้าถ้าไม่ไม่ให้ไปนั่นเธอต้องการพรอะไรจะขอมาฉันจะให้หนาวิสาขาก็บอกว่าลูกนี่ไม่ต้องการเงินทองเก้าของอะไรทั้งหมดจะขอพรจากพ่อผัวว่าขอให้พ่อผัวอนุญาตให้ดิฉันได้ทําบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ เท่านี้แล้วก็เป็นพอแล้วได้ฟังทมแล้วก็พอใจหว่งงั้น เ, เราอนุญาตพอผูอนุญาตนางวิสาขาจึงได้แต่งให้คนไปอาราธนาพระพุทธเจ้าแะระพสวงร้อยมาฉันในบ้านบริพวกอันนุ่งลมห่มผ้าหมายถึงว่าพวกไม่นุ่งผ้าเลาวนี่ะก็มาขัดขวางไม่ให้เศรษฐี ไปพ่อพระศาสดาเมื่อพระ อ, องค์เสด็จนั่งอาสนะเรียบร้อยแล้วนางวิสาขาก็ได้เชิญพ่อผัวเอาสำรับนี่ไปถวายพระพุทธเจ้าเอาพวกนุ่งรมห่มผ้าแล้วนะ้นเขาก็ห้ามเสร็จถีไม่ให้ไปอนางก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าเองเมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้ว นางวิสาขากรเชิญพ่อป่วยมาฟังธรรมไอ้พวกนักบวชเหล่านั้นก็ห้ามแม่เศรษฐีมาฟังบัดนี้เศรษฐีไม่ฟังซะแล้ววันนี้ไม่ฟังคํานักบวชเหล่านั้นแหละเอเราจะไปซะอย่างเดียวเราใครจะทําไมอ่ะอืม อ, อ่อถ้าจะไปแล้วขอให้กั้นม่านไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าอานี้เอากั้นก็กั้นก็เลยเอาผ้าม่านมากั้นไม่ให้ พ่อหัวนาวิสาขาได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ <c oughs> นั่งฟังเทศอยู่นอกม่านพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังโดยลำดับแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆลงสุดท้ายก็ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้งซีคือทุกขหนึ่งเหตุได้ทุกเกิด ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข์จบลงเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาปัติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาจึงได้เปิดม่านคานเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกแล้วก็ยกให้ลูกสะพ้ายนั้นเป็นแม่ของตนไปเลยแบบนี้นะอ่ แต่นั้นจึงได้มีชื่อต่อท้ายว่าวิสาขาวิมิคารามานดาวสานอกชื่อยาวอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นประวัติศาสต์ตั้งแต่ครัง้งพระเจ้ามาจนถึงบัดนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละการที่ยกเรื่องนี้มาแสดงถูกคนฟังก็เพื่อจะให้รู้ได้เห็นได้ว่า อันผู้มีบุญวัดนาบารมีแล้วถึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังคิดถึงบุญกุศลนี่ถือเอาใจความบบ น, นี้นะอย่างนางวิสาขานี่นะในเมื่ออยู่กับพ่อกับแม่เพื่อนก็ได้ทำบุญถวายทานอยู่อย่างนั้นเป็นประจำนี่พอได้ไปสู่ตระกูลผัวแล้วผัวเป็นไม่ฉาด้ผิไม่นับถือพุทธศาสนา ก็เลยไม่ได้ทําบุญทาทานอะไรธรรมดาพระโสดาบันนี่เนะี่ยไม่ได้ทําบุญทาทานไม่เป็นอันอยู่ไม่เป็นอันกินอะไรเป็นอย่างนั้นศรัทธาแรงกล้านะพระโสดาบันนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนางจึงเมื่อได้โอกาสจึงขอพรจากพ่อผัวบันนี้ตระกูลนั้นก็เลยจะเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิ นับถือพุทธศาสนาหมดทั้งบ้านทั้งครอบครัวอะไรทอดทิ้งพวกชีปลอยเหล่านั้นไปเสียงนี่อันนี้แหละเพราะฉะนั้นนะให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถของตนเพราะว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นคนแต่ละชาตินี่ยากนะัก เมื่อเกิดมาเป็นคนแต่ลำบะแต่ละชาติจะได้พบพุทธศาสนาในก่อเสียนยากนักยากหนาไอ้บางคนเกิดมาพวกพุทธศาสนานแล้วไม่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสก็มีอยู่มากมายเป็นอย่างนั้นเมื่อไครมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็ไม่ได้ทําบุญทําทานไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีอะไรออันนี้พวกเราได้ชื่อว่าไปพูดถึงพร้อมแล้ว คือว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เราจะมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นผลขึ้นในใจของตนอันนี้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลาย ดังนั้นคอยพากันรักษาบุญกุศลของเก่านั้นไว้ให้ได้อย่าให้เติมแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลใหม่นี้ให้มากขึ้นโดยลําดับดังที่แสดงมาแล้วนั้นว่าสร้างอย่างไรจรึงเรียกว่าสร้างบุญบรารมีเรื่อยไปก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละว่าเมื่อผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะจะอยู่อย่างไงก็เป็นบุญเป็นกุศลทำอะไรพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมด โดยเฉพาะการสำรวมจิตใจทำใจของสนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้จิตใจนั่นเสื่อมจากบุญจากคุณนี่อันนี้สำคัญมากนะมันทำให้เกิดบุญกุศลใหม่ขึ้นมาเรืเ่อยๆเพราะว่าของเก่าเป็นทุนอยู่แล้วดังนั้นเราทำอะไรพูดอะไรออกไปเมื่อพูดเมื่อทาอยู่ในกรอบแห่งศิลแห่งธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลย เราคิดเราวิจารณอะไรในใจอย่างนี้นะอย่างเช่นเราคิดดูชีวิตนี่ไม่เพียงความตายเป็นของเพียงแล้วเกิดความสังเวชหลดใจปล่อยวางไม่ถือมันอะไรต่ออะไรในภายนอกนันน่มีแต่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นบุญอย่างสูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้